Thank you. ที่สองของการปฏิบัตินะวันที่31มกราคม2560นะเป็นการบรรยายที่โยคุซูนสองสงบไปยังนั่งสมาธิสงบพียังสงบไะเ สงบไม่ได้เกี่ยวกับคิดนะตอนนี้ตอนนี้นั่งฟังอยู่ก็สงบได้นะไม่ได้ว่าจะต้องไม่สงบเคลื่อนไหวก็สงบได้นั่งคิดก็สงบได้นั่งปวดก็สงบได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจผิดคนเนี่ยก็บอกมาถามผมว่า ถ้าเรากลังจะตายสมมติว่าเราถูกลดชนมันเจ็บปวดมากก่อนที่เราจะขาดใจตายอย่างนี้เราก็ไปนรกก็สิผมบอกว่ามันเกี่ยวอะไรกันะถ้าท่านไม่เคยทำบาปทำชั่วท่านจะไปนรกยังไงก็เวลามันปวดมากมันก็มีความทุกข์คือความทุกข์จากความเจ็บปวดเนี่ยกับความทุกข์กับการทําบาปทำชั่วเนี่ย ความทุกข์จากการที่พ่อแม่รักลูกแล้วลูกไม่ได้เป็นไปดั่งใจนะมันมีความเร่าร้อนไม่ได้เหมือนกันนะไม่อีกนั้นคนที่ไม่เคยทำบาปทำชั่วไม่ได้เคยทำผิดศีลพ่อรักลูกลูกอาจจะไปทำผิดทาพลาดหรือไม่เป็นไปดั่งใจก็ตกนรกก็ดี หรือว่ามีเด็กคนหนึ่งตกน้ำกำลังจมน้ำมีผู้ชายคนหนึ่งกระโดดลงไปช่วยเด็กคนนั้นรอดตายแต่ผู้ชายคนนั้นจมน้ำตายโอ้โหขนาดก่อนที่จะตายก็สสานักน้ำพลมา น, น่าดูนะอาจารย์เขาไปเป็นพรหมแนละ้วเขาไปเกิดเป็นพรหมด้วยจิตที่มีเมตตาการุณาเนี่ยเอาชีวิตตัวเองเขาแลกเพื่อช่วยผู้อื่นจิตเกิน เกินกว่ามนุษย์ก็ไปอีกนะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจอะไรผิดโดยเฉพาะถ้าเรามาฝึกแล้วก็ฝึกให้ถูกเนะมันไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เราคิดนะไม่ใช่ว่าความคิดจะต้องทำให้ทุกข์ถ้าความคิดเรื่องไม่ดีไม่ดีเป็นอกุศลมันเป็นไปได้ที่จะทำให้ทุกข์แต่ความคิดผ่านมาผ่านไปขาจรทั้งหลายนะจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต พูดขึ้นมาเป็นสัญญาสัญญาก็ออกมาปรุงเป็นสังขารอย่างเงี้ยอาจจะทําให้จิตใจมันกระสับกระสายไปบ้างแต่ด้วยความตั้งมั่นเรามาฝึกความตั้งมั่นทีนี้เมื่อความตั้งมั่นก็จะเห็นความคิดเกิดขึ้นความคิดดับไปความคิดมันจะอย่างที่ผมบอกเหมือนอาว่านั่งอยู่หน้าบ้านนะคนก็เดินผ่านไปผ่านมาผ่านมากผ่านไปเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิเนี่ยว า, า ว, วางจิตเอาไว้ถูกวางจิตเอาไว้ถูกแค่นั้นแหละ ท่านก็ค่คอยฝึกไปทีนี้พอกสัมมาทิฏฐิมันเกิดในระดับต้นเนี่ยแล้วก็ฝึกไปวันไหนสงบก็สงบวันไหนมันจะเงียบก็เงียบวันไหนไม่จะมีความคิดก็คิดนะความคิดก็เกิดขึ้นดับไปไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวไม่เข้าไปเป็นเจ้าของไม่เข้าไปยึดมั่นก็นั่งไปความคิดชะพีก็มีไปนะพอไม่เข้าไปยึดถืออเดี๋ยวท่านก็อาจจะเห็นมันดับไปอยู่ๆก็เงียบไปเช่นนั้น ไอ้ที่มันยังคิดต่อได้มันยังหมุนวนหมุนเวียนมันยังไปเรื่อยๆไม่มีสุดเอที่สุดก็เพราะว่าเราเข้าไปยึดถือความคิดนั้นจึงก่อให้เกิดเป็นอารมณ์เมื่อก่อให้เกิดเป็นอารมณ์พบก็เกิดขึ้นนะเกิดเป็นตัวตนเกิดเป็นพบทีนี้เนื้อเรื่องก็เดินสิเนื้อเรื่องก็เดินแต่ถ้าท่านไม่เข้าไปใส่ใจน่ะมันผะ่านมาวก็ผ่านไปผ่านมาก็ผ่านไ ป, นมน ไ, ปไม่เข้าไปยึดถืออยากจะอยู่ก็อยู่ไปไม่ดึงเข้าไม่ผลักออก ไม่เชื่อเชิญไม่ขับไล่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ก็อยู่ไปแล้วเชื่อเถอะไม่ต้องเชื่อก็ได้ไปดูเถอะเดี๋ยวมันดับหายไปหมดทีเนี้ยท่านจะสงบจริงๆละ่ะไม่ใช่สงบจากการเข้าไปรู้ลมอ่ะแต่จะเป็นการสงบสงบที่มาจากการปล่อยวาง แล้วก็ว่างจากตัวตนชั่วขณะไม่มีตัวตนไปดึงเข้าผลักออกไม่เล่นอะไรกับมันอีกแล้วมาเกมนี้ไม่เล่นด้วยท่านรู้ไม่ว่าเด็กนั่งเล่นสมมติว่านั่งเล่นฝาเบียกันเนียเด็กนั่งเล่นฝาเบียรกันหรือเป่ากบเป่ายางอะไรกันเนี่ยท่านที่เด็กคนหนึ่งที่กำลังเล่นเอ้ยไม่ได้ฉันชนะฉันต้องเอา เธอเอาไปเหอะฉันไม่เล่นแล้วฉันจะกลับบ้านแล้วเอาไปเลยเชื่อไหมว่าเด็กทั้งหมดจะเลิกเล่นอ่ะเอาไปเลยนะฉันไม่เอาและฉันจะกลับบ้านแล้วคือฝาเบียรจะไร้ค่าทันทีนะวันนี้ไอ้ฝาเบียรที่มันผุดขึ้นผุดออกเนี่ยมันยังมีค่าอยู่เพราะมีคนเล่นถ้าเมื่อไรเลิกเล่นทุกอย่างจะไร้ค่าเลยนะเมื่อไรค่าจะไม่มีคนเล่นกับมันอีกถ้า เราเลิกเขาก็เลิกจะไม่มีใครอีกเพราะมีฝั่งตรงข้ามผู้ถูกรู้เพราะมีผู้รู้นี่แหละถ้าเลิกคนงอีกคนหายเลยไม่เล่นด้วยแล้วแล้วก็ไม่มีคนเล่นด้วยไม่ใช่ไม่เล่นด้วยมันไม่มีคนจะเล่นทีนี้แหละมันจะสงบจริงๆสงบแบบไม่ต้องทำอะไรเลย สงบจากความการปล่อยจะจ น, นะเพราะฉะนั้นเจ็ดวันนี้นะอย่าไปทําอะไรให้มันมากเกินทุกอย่างนะ่ะถ้ามันพอดีพอดีเนะมันจะเกิดพอดีพอดีอย่าทําอะไรให้มากเกินอย่าตั้งใจให้มากเกินอย่าเพ่งพุ่งเพ่งอะไรให้มากเกิน <c oughs> อย่าตั้งใจอย่าอะไร อย่าลีลาอย่าอะไรให้มันมากเกินการนั่งสมาธิเนี่ยผมก็ไม่จะพูดยังไงนะให้ทุกคนรู้เรื่องเนี่ยการนั่งสมาธิของทุกคนเนี่ยอย่าให้มันเป็นการนั่งสมาธิได้ไหมอ่ะมันเหมือนเดินเข้ามาแล้วมันนั่งอย่างเงี้ยเหมือนท่านเดินเข้ามาแล้วมันนั่งอย่างเงี้ยคืออย่าให้มันเป็นการนั่งสมาธิได้ไหมให้มันเหมือนการเดินเป็นการยืนเป็นการอะไรอย่างเงี้ยคือท่านจะนั่งก็นั่งไปเนี่ย จะหลับตาก็หลับตาอย่าให้มันคืออย่างนี้เสร็จมันนะแล้วทุกคนจะต้องมีถ้ามีทางออกข้างในมันแอบสร้างตัวตนเต็มไปหมดยิ่งถ้ารู้สึกความมีคนเดินมาจะเห็นเราแบบนั้นแบบนี้เราเดินนะท่าของเราขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาคงจะรู้นะว่าข้างในเราสงบไอ้นัมัยสงบแล้วนะ เดินงดงามสุดๆเนี้ยนะอนนั้ น, ะ น, นต้องต้องบนแคดวอล์ไปเดินแมวเมี้ยวๆมี้วอยู่ข้างบนนะเดินแบบแมวเมี้ยวๆม้วแคดวอล์เดินธรรมดาเหมือนเหมือนจะเดินไปห้องน้ำ ทีนี้เราเมื่อตอนบ่ายมันก็ได้ฟังเปิดคลิปไปนะซึ่งผมดูแล้วก็น่าจะพอจะเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังมาได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องการมาปฏิบัติจุดมุ่งหมายหรือว่ารูปนามหรือว่าไก่ใจนะก็พอจะเอามาพ่วงเชื่อมโยงกันได้ เพื่อนวันนี้ผมไปโรงพยาบาลเนื่องจากว่าครั้งก่อนที่ถ้าใครอ่านจากข่าวนะที่ผมมีอาการเวียนหัวมากแล้วก็ปวดหัวเขาก็ส่งเข้าโรงพยาบาลหมอก็ทาําอ็กซไอจากนั้นก็ไม่พบอะไรมากนะัก วันนี้ก็มีหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งขอทำซ้ำเป็นเซ็ o ก d น p i n ิ o เนียผมก็เอ้าอยากทำก็ทำ ก, ก็ไปก็เข้าเครื่อง m อ i มอออีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ฉีดสีเพื่อจะดูเส้นเลือดทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่แค่ปวดหัวเวียนหัว แต่มันมีผลต่อการบรรยายก็คือว่าเวลาผมพูดพูดเนี่ยบางทีมันดับหายไปแล้วผมบรรยายไม่รู้ว่าผมกำลังบรรยายอะไรแล้วก็หลายครั้งที่ปกติเวลาผมบรรยายอะผมเล่าให้ฟังแบบคนกันเองเลยท่านที่ฟังผมไม่ว่าทาง youtube หรือเมื่อก่อนเปิดฟังซีดีแล้วโอ้วอาจารย์ oh, หบรรยายได้แบบนะทุกครั้งที่ผมบรรยายเนี่ยมันจะเหมือน เหมือนนกบินอยู่บนฟ้าแล้วผมจะเห็นข้างล่างทั้งเมืองเห็นเมืองทั้งเมืองว่าถนนทุกเส้นเป็นยังไงผมสามารถดึงทุกอย่างออกมาใช้ได้หมดคือเห็นทุกอย่างกระจางแท้งชัดมากจะไปทางไหนจะดึงอะไรมาใช้สื่อชิ้นไหนคิดอะไรภูมทุกอย่างจะพ่างผูออกมาหมดแต่ช่วงหลังเนี่ยผมเหมือนเดินอยู่ในตรอกซอกซอย ที่มองไม่เห็นอะไรเลยเดินไปข้างหน้าก็ไม่ถูกบรรยายไปก็ไม่รู้ตอนนี้เราเดินอยู่ที่ไหนแล้วจะเอาเครื่องมืออะไรมาใช้ก็นึกไม่ออกนะก็เริ่มเป็นมาประมาณสองสาเดือนทีนี้เรื่องก็ไปเข้าหูหมอทั้งพวกฝ่ายสมองทั้งหลายนะจึงอยากจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจากการนั่งสัมภาษณ์เนี่ย หมอก็จัดทางได้อย่างหนึ่งแหละในเบื้องต้นก็คือว่าตอนเนี้ยในระบบประสาทเนี่ยเนื่องจากผมก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นการพูดคุยกันธรรมดาเนี่ยผมใช้คําว่าการพูดคุยกันธรรมดาสมมติท่านนั่งคุยกับผมมาถามธรรมะแล้วผมก็ตอบไปเนี่ยมันเป็นการพูดคุยกันในมิติเดียวเนะียผมก็อธิบายให้หมอฟังว่ามันเป็นการถ้าเป็นการพูดคุยในมิติเดียวเนี่ย ผมไม่มีปัญหาแต่ทันทีที่มันยกระดับขึ้นไปเพื่อจะให้เห็นทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มีปัญหาซึ่งหมอก็บอกว่าในกระบวนการของสมองเนี่ยในชั้นแรกแล้วมันก็จะมีชั้นที่สองที่จะเข้าเข้าไปดึงความจำเข้ามาประมวลผลในจัะหน่วยเนี่ยที่จะต้องใช้ สมองในแต่ละชั้นแต่ละชั้นลึกเข้าไปลึกเข้าไปนะตอนเนี้เท่าที่เห็นก็คือว่าในชั้นที่ลึกลึกขึ้นไปเนะี่ยเริ่มมีปัญหาในการติดต่อสมองมาเริ่มเชื่อมกันไปไปไม่ไม่ค่อยถึงทีนี้ก็เลยอยากจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเรื่องอะไรหรือเปล่านะสิ่งหนึ่งที่ได้พบแล้วหมอไม่เคยเห็น แล้วจะทำเอ็มไอเสร็จนั่งดูแล้วอธิบายผมฟังเปิดให้ทีละหน้าทีละหน้าในเครื่องคอมให้ผมดูหมอบอกว่าคือเปิดมาถึงหน้าจออันสมองกระชากนกำลงัง่อนี่คือลักษณะของคนที่ทางโลกเรียกว่าอัลไซเมอร์แล้วก็กำลงัลง่อลงคือหมอนั่นกันอยู่สามคนในห้องหมอคนหนึ่งก็บอกว่า อายุอายะอายุขนาดอาจารย์เนี่ยมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์นี้เลยไม่น่าเกิดเหตุการณ์นี้ได้เลยล้หมอเนี่ยฟังทำผมตลอดทั้งยูทูบบ้างอะไรบ้างเนี่ยเคยมาเข้าคอสเนี่ยคือดูจากลักษณะอาจารย์เนี่ยก็ไม่น่าจะใช่โลกแบบนี้เลยแต่ทําไมสมองมาสแสดงอาการนี้ออกมาคือมันกําลังฝ่อลงมีช่องว่างระหว่างสมองกับกะโหลกมากขึ้น แล้วก็มีน้ําเข้าไปเติมละคือหมอขัดแย้งกับภาพที่เห็นมากหมอสมองเนี่ยนะแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงหมออธิบายไม่ถูกหมอก็พยายามพูดเลี่ยงๆให้ผมสบายใจแต่มันก็ไม่หมอไม่ต้องตอบใจอะไรผมหรอกนะมันไม่ได้ทําอะไรให้ผมรู้สึกดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเรืออะไรทั้งสิ้นแล้วก็แค่นั้นหลังจากนั้นหมอก็บอกว่าหมออธิบายไม่ถูก เพราะสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเลยมันไม่สอดคล้องกันทางการแพทย์เลยผมบอกว่าหมอถ้าหมอพูดจบแล้วฟังผมบ้างผมจะพูดให้หมอฟังผมถามว่าสมองส่วนที่หายไปนั้นมันทำงานอะไร หมอบอกเป็นสมองส่วนของอารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็ความจำผมบอกถ้าคนที่ทำแล้วจบจบจบจบจ บ, จบไปเรื่อยเนี่ยไม่มีการใช้สมองส่วนนั้นอีกไม่มีการดึงเนื้อเรื่องขึ้นมาปรุงแต่ง ไม่เกิดอารมณ์กับมันเอาละนะแล้วผมพักไว้แค่นี้ถ้าผมเดินขึ้นเขาที่เกาะพะลวยเดินขึ้นเดินลงเขาทุกวันกล้ามเนื้อผมอาจจะอยู่เท่านี้แต่เมื่อไหรผมกลับมาอยู่กรุงเทพผมเดินในพื้นราบนานๆกล้ามเนื้อผมจะปรับตัวใหม่แล้วก็เล็กลงตามสภาพที่ใช่จริง มหมอถึงบางข้อเลยแล้วหมอจะให้มันมีทฤษฎีไหนล่ะหมอจะให้มันเอาตัวอย่างที่ไหนหรือจะต้องเอาหมอฝรั่งยิ่งฝรั่งยิ่งปรุ ง, ง, รงแต่งความสุข ยิ่งฝรั่งยิ่งสอนกันให้ปรุงแต่งโลกปรุงแต่งความคิดทุกคนปรุงแต่งเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงหมอถึงบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วเด็กๆเนี่ยเราพยายามใส่ข้อมูลความคิดความสวยความงามการคิดทุกอย่างเข้าไปในเด็กเด็กก็จะสมองโตขึ้นเรื่อยๆแต่ก็นึกไม่ออกจริงๆว่า กระบวนการมันจะกลายเป็นอย่างนี้ไปได้เพราะไม่เคยมีตัวอย่างมาก่อนผมก็บอกว่าเอาหลักต่อให้ผมเป็นอัลไซเมอร์นะสมมติมันจะหดลงไปจนเป็นอัลไซเมอร์จริงๆเนะี่ยผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันนะหมอเขาจะส่งตัวผมไปให้สิริลาชในระบบสมองชั้นสูงผมผมก็เลยถามว่าเพื่ออะไรก่อน มีระบบการตรวจสอบชั <t <t ้นยอดเยี่ยมจนกระทั่งรู้ได้ว่าเป็นอย่นี้จริงๆแล้วทำไมเหรอแล้วมันจะช่วยอะไรเหรออ่ะสมมติว่ามันจะฝ่อแล้วมันจะเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยแล้วมันจะเป็นอะไรเหรอก็ไม่มีอะไรแค่คอนเฟิร์มสิ่งที่เราเข้าใจแล้วก็สามารถโปรเจกต์ได้ว่าอาจารย์จะอยู่ไปได้อีกสักกี่ปีอ๋อท่านนั้นไม่ต้องห่วงผมแล้วจะอยู่กันได้คืนที่เฉยๆก็ได้ ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันหรอกเนะียผมก็เลยบอกหมอว่าหมอใบไม้เนี่ยจากสีเขียววันหนึ่งจะเป็นสีเหลืองเมื่อมันเป็นสีเหลืองเนี่ยนานไปมันจะเริ่มมีจุดสีน้ำตาลและจุดสีน้ำตาลมันจะมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นสีน้ำตาลและในที่สุดมันจะหลุดลงจากกิ่ง วันนี้มันจะอยู่โปรเซสไหนก็ตามอาจจะเป็นจุดสีน้ำตาลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจุดสีน้ำตาลก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันก็จะเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดแล้ววันหนึ่งมันก็จะหลุดลงจากกิอย่าเป็นเหนื่อยกับมันเลยแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วหมอต้องมาดูแลผมต้องมาจ่ายค่าเอ i มอ จ่ายค่าอะไรต่ออะไรให้ผมมีแต่หมอก็ได้เงินแต่หมอต้องมาเสียเงินกับผมหมอสามคนที่นั่งอยู่ในห้องหลังจากตรวจผมเสร็จพอผมเริ่มพูดลงนั่งพื้นกันหมดเลย <c oughs> ลงทั้งพื้นแล้วก็ฟังฟังฟังยกมือสาธุกันหมดบอกในวิชาแพทย์ไม่เคยได้ยินมาก่อน <c oughs> หนึ่งท่านจะไปกอาะปลารวย เอาละนะก็เล่าสู่กันฟังว่าสุดท้ายไม่ใช่ว่ามันจะต้องอะไรเหรอนะอย่ามาคิดว่าการมาปฏิบัติธรรมแล่กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายพูะเจ้าก็บอกอยู่แล้วนะการมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ให้ร่างกายดีให้ขันห้าดีให้ชีวิตดีนะแต่มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นความจริง การพ้นทุกข์ไม่ใช่ให้ทุกอย่างมาดีดั่งใจนะอย่าเข้าใจผิดถ้าการปฏิบัติธรรมมาเพื่อให้ทุกอย่างดีดั่งใจคนเป็นมะเร็งมาปฏิบัติธรรมให้พ้ น, ใ ห, พนให้หายเป็นมะเร็งเนะนี่ยทำลังเข้าใจอะไรพลาดเคลื่อนก็นแล้วกันถ้าจะหายก็หายถ้าไม่หายก็ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมแล้วอะไรจะต้องเป็นอะไรอย่างที่เราโอ้โหจะต้องดีคาว่าดีไปว่าอะไรขันห้ามีสภาพทุกข์อยู่แล้ว เพราะการแปลเปลี่ยนไปตลอดเวลาเมื่อไหร่มีการยึดถือเมื่อนั้นมีผู้ทุกข์ถ้าปราศจากผู้ยึดถือทุกข์จะมาจากไหนพิสูนทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายแล้วถ้าสมองก็เป็นสมองของผมแลวผมก็เดือดร้อนกับมันตายทั้งที่ผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันเลยมันจะฟอมันจะไม่ฟอร์มมันจะโตมันจะ แต้เลือดฝอยเล็กเลืกอะไรผมก็ไม่รู้จะทำอะไรกับมันนะจะทำอะไรคําททำก็ำมไม่ได้ผมกนไม่ได้แล้วผมก็มีไม่ได้รู้สึกอะไรหมอจะพยายามพยายามประคับประคองคำพูดผมบอกหมอไม่ต้องหมอพูดไปตามปกตินั่นแหละจะอธิบายอะไรก็อธิบายไปนะผมจะพูดอะไรผมก็พูดไปอาจจะถูกหรืออาจจะไม่ถูกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมเพียงแต่ผมแสดงความรู้สึกความคิดเห็นบ้างแค่นั้นเอง ถ้ามันไม่ใช้มันก็คงไม่ใช้ถ้ามันใช้่แปลว่ามันก็เสื่อมฟอไปมันจะก่อนไว้อันควรเขาก็บอกหมอเขบอกอาจารย์ใช้มิติของสมองที่คือมันเหมือนเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งที่อาจารย์ใช้เต็มประสิทธิภาพของมันแล้วก็เหยียบคันเร่งแบบสุดขีดตลอดเวลาก็ไม่ใช่ความผิดอะไรอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งมันขึ้นไปมิตินั้นไม่ได้อีก ก็คุยกันธรรมดาก็าคุยธรรมดาก็ทุกอย่างก็ได้อัดซีดีอัดดีวีดีอัดอะไรที่าั่งไปหมดแล้วผมจะไปเดือดร้อนอะไระผมก็ไม่เดือดร้อนอะไรท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนันก็ปฏิบัติของท่านต่อไปไม่เกี่ยวท่านอาจจะเห็นว่าอาไม่มีครสอาจารย์หรือเก๋ยคงตายแล้ววะเก๋ยก็คงเลิกไปแล้วละมันทําคิดอะไรไม่ออกมันคงมานั่งหลับตาให้เป็นเพื่อนนีเฉยๆน่ะอ้าวอ้าวนี่นั่งอยู่ไหนเนี่ยฮะ ก็พาผมกลับด้วยกันล้วกันนะก็คงไม่เป็นไรนะทีมงานผมพามาเด้กก็พากลับเลยอาจารย์อาจารย์ขุดอยู่นูน่นขุดอยู่นูน่นนะอา่อาจะไปฉีดทั้ไหนเนี่ยอะไรเงี้ยตรงนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะถ้าเราไม่ทุกข์อะไรกับมันใครมันจะเป็นอะไรเอาละทีนี้กลับมานะเรื่องคําสอนพระเจ้าดี ก, กว่าคือจากตัวเลขที่ท่านยกมือเนี่ยผมเชื่อว่าท่านดูสื่อนี้กันมาทั้งหมดแล้วะ แต่ก็อย่าลืมว่ามี22คนที่ยกมือว่าไม่เคยเข้าเหมือนกันและอย่างหนึ่งถ้าผมไม่เปิดสื่อชิ้นนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงต่อไปการบรรยายที่ต่อไปข้างหน้าไม่ได้ถ้าผมจะบรรยายต่อไปเลยจริงๆก็บรรยายได้จริงๆก็บรรยายได้รรยยไดแต่มันก็จะกระท่อนกระแท่นสําหรับคนฟังต่อให้เคยฟังมาแล้วก็ตามท่านก็อาจจะไม่ได้ดึงจุดนี้มาจากการบรรยายเนี่ย ที่ผมเล่าให้ฟังวอ่อยู่ๆมันก็หายไปอยู่ๆมันก็มืดไปอยู่ๆมันก็ดับไปเนี่ยหมอเขาก็บอกผมอีกอย่างไไดีผมนึกขึ้นมาได้เขาบอกว่าจาน ร, รู้ไหมจากผลเอ็มาอาไอเนี่ยมันก็เริ่มมีจุดในสมองที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่มันไม่มากขนาดนั้นในคนธรรมดาไม่มีทางรู้เลยหมอบอกให้เลยว่าในคนธรรมดาจะไม่รู้เลยว่ามันเกิดความผิดปกติในสมองตอนนี้ อาจารย์รู้เพราะว่าอาจารย์ใช้สมองเต็มประสิทธิภาพทั้งหมดทีนี้เมื่อเกิดข้อบกพร่องขึ้นมาแม้เพียงเล็กน้อยอาจารย์รู้เลยอาจารย์ดีเทคข้อเออร์เลอในสมองตัวเองได้เลยว่ามันเคยเชื่อมต่อด้วยความรวดเร็วเหมือนอินเทอร์เน็ตความเร็วเท่านี้เนี่ยท่านไม่รู้หรอกความเร็วมันเท่าไหร่แต่ทันทีที่มันลดจะปีดลงท่านรู้ทันที รู้เลยเพราะเป็นความเคยชินที่อาจารย์ใช้สมองเต็มเต็มเต็มทุกพื้นที่มาตลอดพอมันเริ่มมีปัญหาเพราะอาจารย์รู้เลยหมอบอกให้เลยว่าถ้าคนธรรมดาจะรู้ว่าสมองตัวเองมีปัญหาเนี่ยต้องรอไปอีกสิบปีข้างหน้าแต่อาจารย์รู้ทันทีเลยเพราะใช้เต็มมาตลอดพอมันไม่เต็มมันเหมือนเครื่องยนต์ที่เคยวิ่งได้หกพันรอบพอตอนนี้มันวิ่งไม่ได้เนี่ยรู้เลยรู้ทันทีเลย มันเคยเคยออ ก, ก, กได้ทุกอย่างแต่ตอนนี้เครื่องสะดุดหมดเลยหมอก็เลยให้ยามาตัวกินไปละ ว, วันนี้น่าจะบรรยายลรื่น <c oughs> หมอบอกว่าเป็นยาที่ช่วยให้เสริมความจำผมบอกมีด้วยยาแบบนี้หมอบอกว่า <c oughs> ท่านก็ลองฟังเอาไว้คือ ตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าสารสื่อประสาทของอาจารย์ในการเชื่อมโยงสมองแต่ละส่วนเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาปกติมันเคยต่อเชื่อมปั๊บปั๊บไปส่วนนั้นส่วนนี้ถ้าดึงข้อมูลรูปออกมาได้พร้อมกันแต่ตอนนี้พอมันสื่อไปไม่ถึงมันเชื่อมไปไม่ถึงปั๊บมันก็ขาดพอขาดปุ๊บ ม, มันก็บอดเลยซึ่งอาจารย์เห็นได้ก่อน เพราะเคยบรรยายมาก่อนแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้ป๊บปบทีนี้หมอก็เลยลองให้ยาตัวนี้มาเพื่อหมอบอกาะว่าคล้ายๆน้ํามันหล่อลื่นนนะคล้ายๆน้ำมันหล่อลื่ น, นะ น, น, นเพื่อให้เชื่อมให้สมองแต่ละส่วนเนะี่ยเชื่อมต่อกันนะส่งน้ํามันหล่อเลื่นเข้าไปเพิ่มหน่อยลองดูหมอลอกหมอลองดูลองดูสักสองเดือนถ้าดีขึ้นก็กินไปได้เลยถ้าไม่ดีขึ้นนั้นก็ใคก็ไม่รู้กัน ก็ก็ว่ากันไปนะฮะเอาละผมก็จะลองดูเหมือนกันคืนนี้ดูซิว่าไอสารสื่อประสาทเนี่ยจะเป็นยังไงพิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายนะก็พอให้ทุกคนประจักษ์นะอย่าประจักษ์แค่คําพูดอย่าประจักษ์แค่ตัวหนังสือบนจอแต่ให้ประจักษ์เข้าไปที่ของจริงที่กายกับใจของเรานี่ เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อสิ่งนี้ผลทายการพ้นทุกข์ถ้าการเจ็บป่วยของผมจะเป็นตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งก็ขอให้เป็นความมั่นใจหรือจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักปฏิบัติทั้งหลายได้มุ่งพันที่จะปฏิบัติเพราะผลทางการพ้นทุกข์ตามคาพระศ า, าสดามีจุดมุ่งหมายที่พ้นทุกข์จริงๆ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับอะไรจะไม่มีผลต่อจิตต่อใจที่จะมานั่งทุกเศร้าหมองอะไรอีกเลยอย่าว่าแค่นี้เลยแต่ก็ไม่อยากจะพูดที่มันมากเกินเหตุอย่าว่าแค่นี้เลยให้มันยิ่งกว่าแค่ไหนก็ได้ไม่มีอะไรหรอกที่จะมาทาให้ทุกข์ได้ถ้าเห็นความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วเข้าถึงความจริงนั้น ผมเน้นคำว่าเข้าถึงความจริงนั้นนะไม่ใช่แค่เห็นความจริงปัญหาในการปฏิบัติทุกวันนี้คือทุกคนเวลาเข้าไปเห็นความจริงก็นึกว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่เลยยุ่งกันใหญ่เลยตอนนีนะ้แค่เห็นความจริงแค่นั้นเองร่ากกิเลสยังไม่รู้จักเลยว่าอะไรคือกิเลสนะกายที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นภิกษุทั้งหลายกรรมเก่าคือกายนี้ เอาผมค่อยอธิบายทีหลังก็แล้วกันไม่รู้จะคั้งนี้ไหมอันเธอทั้งหลายเพิงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นคําว่าปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก็คือเนี่ยอะสมมติว่ากายเนี่ยปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก็คือเราเคยได้ยินดินน้าไฟลมถูกไหมรประกอบประกอบกันด้วยดินน้ำไฟลมแต่เป็นคุณหมอหรือทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเป็นเซลล์เป็นโมเลกุลเป็นอะไรก็ได้นะคือมันเข้ามาปรุงแต่งกัน่นะคือไม่ใช่ว่าเป็นตัวเราโดด เดี๋ยวๆแบบแบบนี้ไม่ใช่เป็นก้อนๆเหมือนกับว่าอันนี้คือเราไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็มาจากผ้าถักทอมีเส้นใยมีเส้นได้มีอะไรขึ้นมาเป็นอย่างนี้เหมือนกับรถคันหนึ่งบอกว่า น, นี่รถของเราถอดลอ้อถอดสายไฟสายพานเบาะที่ปัดน้ําฝนกระจกออกหมดในรถอย่างเนี้ยนะคือมันมาจากการปรุงแต่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ปัด ใจปรุงแต่งขึ้นนะส่วนชื่อเรียกนั้นเรามาใส่เองเรารถอย่างเงี้ยนะให้เข้าใจอย่างนี้เวลาเราเข้าไปปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันจะสลายสิ่งที่ออกนะสลายออกเป็นชิ้นปฏิบัติไปแบบไปมันจะเห็นการกระทบเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนะมื่อก่อนนะเราเห็นเราได้ยินพอปฏิบัติไปเสียงกระทบหู มีกระบวนการมันจะเริ่มเป็นชิ้นเป็นชิ้นออกมาหมดโอ้ยเราปวดขาดจังเขออนั่งสมาธิไปสภาพสภาพปวดเกิดขึ้นสภาพปวดเปลี่ยนแปลงเริ่มไม่ใช่เราปวดวเริ่มเป็นชิ้นเป็นชิ้นออกไปหมดนะมีการปรุงแต่งวิญ ญ, ญาณเข้าไปรับรู้เกิดเป็นความทุกเกิดเป็นความทุกข์ใจนะเหตุปัจจัยได้ส่งผลต่อไม่ใช่เราชอบเราไม่ชอ บ, เ ร, ชอบเราไม่มีเลย นะมันจะต้องแยกออกเป็นชิ้นจากนั้นเมื่อออกเป็นชิ้นสมบูรณ์จึงกระทั่งเกิดความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงความจริงมันจะกลับเข้ามารวมกันใหม่หลังจากนั้นจะเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงแต่ไม่เข้าไปยึดถือนะตอนนี้พอไม่เห็นความจริงก็จึงเข้าไปยึดถือแต่พอแยกพวดออกไปลบไหนอยึดอะไรอนะยึดอะไรอย่างที่นี่เหตุการณ์เหตุการณ์ครั้งหนึ่งเมื่อ เมื่อน่าจะหลายปีมาแล้วผมฟังเขาเล่ามานว่ามีพระรูปหนึ่งกําลังนั่งบรรยายเป็นผ้าใหม่เป็นผ้าให ม, นใหม่นั่งบรรยายอยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยไม่รู้ตรงไหนแต่ในห้องนี้ก็เล่าเรื่องถึงอดีตของท่านท่านก็เสียใจมากที่พ่อไม่รักท่านเล่าไปเล่าไปท่านก็ร้องไห้ท่านก็ตัดพอน้อยใจว่า พ่อไม่รักท่า น, ตอน น, นตอนนั้นตอนนี้อะไก็มีโยคีท่านหนึ่งหลังจากที่ท่านร้องไห้เสร็จท่านก็ให้เปิดโอกาสให้คนถามโยคีผู้หญิงคนนั้นก็ยกมือไหว้ด้วยความเคารพขออนุ ญ, ญาตสักถามท่านที่ท่านบอกว่าอยากให้คุณเพราะว่าท่านรัก อยากให้คุณพ่อท่านรักรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณของท่านพ้ารูปนั้นผมไม่ทรญญาบว่าท่านจะตอบหรือไม่ตอบทันทีที่เรื่องนี้ไปถึงผมเนี่ยผมบอกโห กระบี่เดียวตายเลยวะคือไม่เปิดโอกาสให้หายใจเลยคือกระบี่เดียวตายเลยนะเนี่ยแล้วก็เริ่มมีคนในโยกีที่ผู้หญิงคนนี้ใครแล้วก็มีเสียงตอบลูกศิษย์อาจารย์ประเสริฐเรื่องก็ไปเข้าหูผมผมก็เลยเรียกมาวันนั้นทำอะไรเขาก็เล่าให้ฟัง ท่านเป็นพระนะนุกขอขมาเรียบร้อยแล้วแล้วคำถามนี้ถามด้วยความเคารพไม่ได้ต้องการจะอะไรกับท่านเลยอืมทั้งนั้นก็เอาเป็นว่าผมเรียกมาตักเตือนแล้วนะทีหลัง่าทำอีกตักเตือนกันนะอืมแล้วก็หหนไปบอกวนะ่า สุดยอดว่ากบีเดียวตายเลยเลิกเลยถ้ากำลังร้องผมก็หยุดร้องอ่เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าวันนี้ใครกำลังเสียใจกับคนที่คนรักที่จากไปก็เอาคำถามเนี้ยไปถามตัวเองใจเขารับอะไรหรือเราดียรูปเวทนา สัญญ า, ญาหรือสังขาหรือวิญญาณของเราเรอนะของเราด้วยนะถ้าเห็นมันไม่ใช่ของเราถ้าใช่ขอให้เขาลักษ์อะไรไปไม่เป็นเลยนะเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันหน่อยเพื่อจะเชื่อมโยงกันต่อไป The incredible journey of life From birth Through infancy Childhood Puberty, adulthood, and a slow maturity to old age. This is the story of our lives, from a unique perspective, deep inside our bodies. This is the journey of a human life, from the outside. Fetus develops in the womb. It's an astonishing 4 0 w e e k journey, from a single cell to a baby ready to be born. Its body is a miracle of microscopic design, tiny, perfectly formed organs, each made up of billions of perfectly functioning cells. These cells are the building blocks of our bodies. They make us what we are. A hundred thousand billion cells, all working in harmony. Inside every cell is the same extraordinary engine, the machine that tells each cell how to grow and what functions to perform. ถ้าเราอ่านตามไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่เห็นอเกี่ยวกับเราเลย แต่ละเซลล์ก็จะบอกว่ามันจะต้องทําอะไรต่อไปอะไรยังไงมันเกี่ยวอะไรกับเราตรงไหนเนี่ยเนี่ยกระบวนการทํางานเนี่ยไม่ว่าจะส่วนไหนๆของร่างกายหรือจะสมองก็เถอะนะก็ไม่เห็นมันจะไปเกี่ยวอะไรกับความรู้สึกว่าไอ้นี่เป็นของเราเลยเราเนี่ยอินโนอินเน่คือแบบเขาเรียกอะไรตูขึ้นมาลอยๆ อ, อ่ะเข้าใจไหมเมื่อวานที่ผมบรรยายว่าตายกับใจเหยียบขี้หมาเนี่ยใจเกี่ยวไหม ไม่เกี่ยวแต่ใจเดือดร้อนเพราะใจไปว่าเท้าเนี่ยเป็นของกูทั้งๆ ท, ที่ใจเนี่ยไม่ได้ไปโดนอะไรกั บ, กบเขาเลยแต่มันว่าเท้าเนี่ยเป็นของกูแล้วเท้าอิโนโออินเน่ไม่ว่าใจมันบอกว่ามันเป็นเจ้าของมันถูกเป็นเจ้าของไปแล้วเนยก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ทํางานของเขาไปเนี่ยเขาก็ทํางานของเขาไปมันคล้ายๆมีคนหนึ่งอยู่ๆก็ไปตู่ขึ้นมา ไปตู่ขึ้นมาว่าเนี่ยเป็นของเราเข้าใจไหมความรู้สึกเนี่ยที่เป็นของลมลมแรงแงสุดๆเลยแล้วถ้ามันลมแรงลมลมแรงแรงอย่างที่ว่าแล้วมันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะผมก็จะไม่ว่าเลยคุณลมลมแรงแรงกันไปเลยแต่ทั้งทั้งที่มันไม่จริงแล้วก็ไปลมลมแรงแงเนี่ยมันส่งผลเป็นอะไรครับเป็นทุกข์ ถ้าไปมั่วเอาของคนอื่นมาแล้วมีความสุขนะเอาละจะปล่อยให้มันเลยเลยไปถูกไหมแต่เนี้ยถ้าผมบอกว่าสมองนี่เป็นผมรู้สึกว่าสมองนี่มันเป็นตัวผมเป็นเป็นร่างกายของผมเนี่ยวันเนี้ยผมว่าถ้าใครได้ยินหมอพูดว่าคุณกำลังจะเป็นอัลไซเมอร์ในห้าปีข้างหน้าเนี้ยเราต้องทำไงอะหมอเนียอาจจะ ยังไงก็ไม่รู้ว่าหรือว่าก็คล้ายๆคนเป็นมะเร็งโหแล้วจะไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงอะไรยังไงแบบหมอต้องช่วยฉันนะไม่ต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาในการที่เข้าไปยึดถือของที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือทุกข์เอาละพอท่านเริ่มพอเข้าใจหลักการท่านก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราไปยึดมันตอนไหน เราไปยึดมันตอนไหนไอ้นี่แหละคำถามนี้ไหนะแล้วเราไปยึดมันยังไงก็นี่มันไม่ใช่เราฉันไม่ได้ไปยึดอะไรมันเลยความเนียนของมันเนี่ยนะที่เรียกว่า ความไม่รู้เนี่ยผมเคยสงสัยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนำมาบอกสัตว์โลกเนี่ยกาลังบอกสัตว์โลกเนี่ยภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเนยแต่ไม่มีคนรู้เรื่องเลยมันไม่ใช่ของเราแล้วของใครคำถามที่เราได้ยินจากข้างในของเราออกมาเองแล้วไม่ใช่ของเราแล้วของใครเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเอากันจริงๆคือ งานนี้ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายแฮะเพราะมันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยผมถึงบอกว่าเอาแค่ว่ากายกับใจเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยเรายังว่าเป็นเราเลยที่ผมบอกว่าให้ท่านตั้งมั่นไว้ความคิดเกิดขึ้นความคิดดับไป ปวดเกิดขึ้นปวดดับไปความรู้สึกเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปนี่เป็นประตูด่านแรกเลยที่ต้องเห็นให้ได้มันถึงจะเริ่มเอ๊ะมเมื่อนานออกไปนานออกไปแล้วท่านทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆธรรมชาติหนึ่งของจิตจะรับรู้ได้ว่าสิ่งเกิดดับไม่ใช่เราควบคุมอะไรไม่ได้แล้ มีหลายอย่างที่เป็นไปตามปัจจัยแล้วพอดูไปก็ทุกอย่างเป็นไปตามปัจจัยควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วจะไปสับสนอีกนิดหน่อยอทุกคนยกมือขวาขึ้นเอามือลงไม่ใช่เราแล้วใครแล้วใครยกมือแล้วใครสั่งผมทิ้งไว้แค่นี้ถ้าปฏิบัติไปเนี่ยจะไปตันอยู่ตรงนี้ ที่จะพาสับสนจนกว่าจะต้องลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งอันนั้นต้องก็อาศัยสัมมาสมาธิที่ตั้งมั่นจริงๆแล้วก็ลึกลงไปจากการเดินทางถึงจะแกะออกฉะนวนสุดท้าย DNA is unique to every person a chemical blueprint of instructions that creates each new life This baby is ready to enter the world. A newborn person, whose journey is about to begin. The story is different for eyesight. We're born with very underdeveloped vision. Even at one month, the world is blurred and mostly black and white. Every aspect of our vision is rudimentary. The eye muscles are immature, keeping us from pointing our eyes where we want to. Inside the eye. The lens muscles still can't focus, and the lens flips the image it receives. All through life, we see the world upside down. ตอนนี้ท่านมองเห็นผมกลับหัวไหมไม่ก็เห็นปกติแต่จริงๆท่านมองเห็นผมท่าในตาเนี่ยในลูกตาเนี่ยตอนเนี้ยในในลูกตาของเรา เพราะนี่เขแสดงเบ้าตาให้เราเห็นถูกไหมท่าเนี่ยแสงกําลังเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วภาพของผมที่สะท้อนเข้าไปในตาทุกคนกําลังกลับหัวนะท่านรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นรู้สึกกับผมกไม่เลยเพราะเราไม่ได้เห็นที่ตาเราไม่ได้เห็นที่นีนะ่มีกระบวนการต่อจากนี้ต่อไปอีก The picture only gets reoriented in our brains เราเห็นภาพที่ไหนครับ ที่สมองเอาละอะไรอะไรก็ไปที่สมองขั้นหมด Right now, the picture retina screen is the back the The the the at now, on of eye back แสนแสงต่างๆที่เข้าไปกระทบผนังลูกตานะแสดงว่าแสงสีต่างๆจะต้องถูกส่งข้อมูลต่อไปสมมติว่านี่เป็นเส้นเลือดหรือเส้นอะไรก็แล้วแต่เส้นประสาทแล้วก็ส่งไปที่สมอง ตอนนี้มีแสง่ะสมมติว่าเอาแค่เนี้ยมีสีเทาสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีขาวสีสีเขียวสีน้ำเงินเข้าไปที่ตาผมมีสีเทาสีน้ำตาลสีเทาจะก็จะถูกแยกเป็นจุดๆๆๆแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าสีน้ำตาลสีเขียวสีทองสีน้ำตาลใช่ไหมเพราะภาพอสมมติว่าภาพสามคนเนี่ยเข้าไปพับมันก็จะถูกแยกเปอย่ยงรวดเร็วเลยแสดงกระแสไฟฟ้าวิ่งเร็วมากในการแปลค่าขึ้นไป มื่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งไปไอ้นี้ต้องแปลค่าใหม่เพื่อกลับมาเป็นภาพอีกครั้งหนึ่งเอาละเราเข้าใจหลักการแล้ว The retina has two types of cells เปนแสงสีให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า e s cones, which transform the light that hits them into electric signals the cones detect color information but because they're not developed yet we see mostly in black and white อันนี้นก็พูดถึงภารู แต่นี่ก็คือกระบวนการทำงานของมันแล้วก็ไปสร้างภาพอีกครั้งหนึ่งที่สมองแต่คำว่าสมองเนี่ยวันนี้ผมหมอสมองก็นั่งฟังเขาก็ฟังผมบรรยายมาหมดแล้วล่ะหมอก็นี้เขาก็บอกว่าก็เถียงไม่ออกขนาดเรียนมาก็จงๆก็ไม่มีหมอคนไหนจะเถียงอะไรก็เพราะมันเป็นความจริงพระพุทธเจ้า มีมีแต่ผู้เจ้าองค์เดียวที่เริ่มต้นบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราหมอทุกคนเรียนในโรงเรียนแพทย์ก็กายนี้เป็นของเรากายนี้เป็นของเราเขาเพิ่งเคยได้ยินว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วอาจารย์ก็แสดงได้เห็นจริงๆว่าจะโดยตักกะหรือเหตุผลใดๆก็ตามคือท่านไม่ใช่ของเราเจริงๆก็อเอาละที่เหลือก็คือมาถอดถอนความเห็นผิดเท่านั้นเอง กระบวนการทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการส่งสัญญาณแล้วที่บอกว่าเห็นภาพด้วยสมองขณะที่กําลังเห็นภาพด้วยสมองถ้าผ่าพรวดออกมาจะมีภาพไหมก็ไม่เห็นมีแต่เลือดกับมันกับเนื้อสมองไหลออกมาหรือขณะที่เขากาลังทำเอมอาร์ไอถ้าผมนอนคิดอะไรภาพมันก็คงไม่ได้ขึ้นในเครื่องเอ็มไอเหมือนกันใช่ไหมมันก็แค่เห็นแต่เนื้อสมองถ้าผมคิดอ่ะทาไมทําไมมันไม่อะไรล่ะ แล้วไหนบอกว่าเห็นด้วยสมองเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ารูปนามเนี่ยนะคือเราอาจจะเข้าใจคําว่ารูปนามเพราะมันถูกแยกออกมาแต่จริงๆทั้งรูปและนามทั้งสสารพลังงานเนี่ยมันคือหนึ่งเดียวกันมันไม่ใช่ใครเห็นใครหรือใครจะต้องเป็นอะไรมันทํางานผส า, านกันทั้งหมดทั้งรูปและนามเนี่ยแต่ถ้าผู้เจ้ามไม่แยกออกมาให้เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นติดที่ที่ธรรมชาตินี้ธรรมชาติเนี่ย มีการรังสรรค์สิ่งเนี้ยขึ้นมาโดยใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะพัฒนาขึ้นมาถึงจุดนี้แต่มันเป็นไปตามธรรมชาติเขาไม่เคยบอกว่าจะต้องเป็นเราแต่มันก่อความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาเองต้นไม้ก็เป็นต้นไม้สัตว์สิงสาราสัตว์ทั้งหลายนะก็ถูกสร้างขึ้นมาสึกสร้างขึ้นมาแล้วมันก็เป็นก่อความรู้สึกนี้ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติโลกนี้มันเคยมีที่ไหนละ่ะตอนมันแยกออกจากโลกจาก พราทิตจากอะไรเนี่ยจากกวางเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีเราอยู่ตรงไหนเหรอไอความรู้สึกนี้มันถูกก่อก่อก่อพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆยด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่รู้มันไปก่อขึ้นมาพระเจ้าอธิบายให้ฟังหมดในปฏิจจสมุปบาทอยู่แล้ว เ, เอาละทีนี้มาขับมาที่การเห็นเราก็จะเห็นแล้วการเห็นทั้งหมดเป็นโปรเซสไม่ใช่ว่าเราเห็นแต่มันเป็นโปรเซสคือกระบวนการของการที่จะมองเห็นขึ้นมาได้ แล้วภาพที่เห็นเห็นภาพตัวเองนะภาพที่เราเห็นแสงกลุ่มหนึ่งเหมือนตาเราถูกไหม เข้ามาในรูรับแสงเนี่ยกล้องเนี่ยแล้วก็เข้ามาประมวลผลอยู่ในเครื่องแล้วก็ดิสเพลย์แสดงผลออกมาอยู่บนหน้าจอถูกไหมครับใครก็ได้ตามเปลี่ยนปั๊บปั๊บเกิดดับแล้วก็มาเกิดนี่แล้วก็ดับดับดับดับดับดับดับดับดับเกิดดับเกินดับเกินแล้วก็ดับเกินดับเกินดับเกิดมันคือภาพของคุณชื่อฮะ คุณสุปราณีหรือเปล่าเขารู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ก็เป็นคุณอะไรคุณอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยกล้องเนี่ยทําหน้าที่ดิสเพย์อย่างเดียวดิสเพย์ก็คือขึ้นมาเป็นจุดๆๆๆๆๆๆๆๆอย่างนี้เฉยๆถูกไหมผมมารู้เรื่องชื่อคุณสุปราณีได้ก็เพราะว่ามีสัญญาเมื่อกี้บอกมาป้าก็เกิดสัญญาจําได้ป้าเห็นรูปเนีอ่านี่คุณสุปราณีแต่ความจริงก็คือเป็นภาพภาพหนึ่ง เป็นภาพภาพหนึ่งเมื่อเห็นเป็นภาพภาพหนึ่งก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอารมณ์อะไรไม่ได้ก่อให้เกิดอารมณ์อะไรแต่เมื่อมีข้อมูลเริ่มมีการปรุงแต่งเริ่มเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มหลายๆชั้นเข้าเริ่มก่อให้เกิดอารมณ์อาจจะชอบหรือเป็นคนที่เคยทําให้ทําให้ผมเจ็บช้าผมก็อาจจะไม่ชอบอาจจะโกรธ อาจจะก่ออารมณ์ขึ้นมาจากภาพธรรมดาที่เป็นสภาพไม่มีค่าคเริ่มถูกใส่คุณค่าเข้าไปนึกออกไหมการรับรู้การเห็นของพวกเราทุกคนเนี่ยถ้ามันกลับไปที่จุดแรกเนี่ยมันจะเกิดเป็นอารมณ์กับอะไรไหมไม่ใช่ แต่เราก็อาจจะเถียงในใจว่าอ้าวก็ใช่อ่ะสิก็วันนี้คนนั้นมันเคยด่าฉันทีนี้มันก็จึงเกิดความเคยชินเคยคุ้นขึ้นมาเกิดการก่อความรู้สึกขึ้นมาว่าเขาด่าเราทีนี้ทันทีที่ภาพนั้นกระทบมันก็ไปกระตุ้นบางอย่างที่ฝังรากลึกที่เรียกว่าอนุัยขึ้นมา เป็นความเคยชินที่เราเคยโกรธแบบนี้ขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆการจะออกจากความเคยชินเนี่ยจึงมีทั้งกระบวนการของการเข้าไปเห็นความจริงด้วยสติและปัญญากับการเติมข้อมูลที่ถูกต้องเข้าไปในทุกๆอย่างคือจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเห็นความจริงได้ก็จาเป็นจะต้อง หนึ่งคือปาสจากอากุศลก็คือไม่ทำบาปทำชั่วถ้าคนที่ทำบาปทำชั่วแล้วเข้ามาสู่การปฏิบัติก็ไม่อยากจะบอกว่าทำไม่ได้แต่จิตใจจะฟุ้งซ่านเล่าร้อนเกินกว่าที่จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้เพราะนั้นพระเจ้าบัญญัติเรียกว่านิวรห้าเข้ารบ ก, กวนคนที่ทำบาปทำชั่ว ทำผิดศีลเนี่ยนิวรณ์ห้าจะเข้ารบ ก, กวนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จิตจะตั้งมั่นจึงน้อยโดยเฉพาะอยู่ในสภาพที่ยังขลุกอยู่กับการทําผิดแล้วก็อยู่ข้างนอกนแต่ถ้าบางคนที่ทําผิดทําบาปทําชั่วแต่เข้ามาอยู่ในคอร์สปฏิบัติเนี่ยสามารถจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เพราะในขณะนั้นๆของเขาไม่ได้มีการทําบาปทําชั่วอะไร แล้วก็อยู่ในองค์ประกอบที่เป็นเหตุปัจจัยทำให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เหมือนกันเอาล่ะทีนี้เรื่องการมองเห็นเราก็พอดึ้กออกแล้วตกลงเราเห็นที่ท่านมองพระประธานเห็นพระประธานไหมครับเห็ น, พ ร, นพระประธานอยู่ที่ไหนครับอยู่ข้างหน้าห้องหรืออยู่ในใจเรา อยู่ในใจเราถูกไห ม, มอาจจะเริ่มงงงงนิดนิดนะแต่ถ้าใครฟังผมมาบ่อยๆก็คงไม่ไ ม, ไม่ไม่อะไรมากแล้วต่อให้ไม่เห็นความจริงก็ไม่เถียงละเพราะมันก็อย่างนั้นจริงๆก็ก็เปิดกันจ้งๆเนี่ยก็มันเห็นจากข้างในอะ่ะเอาไม่ต้องวัดสมองหรือใจอะ่ะมันเห็นจากข้างในอะ่ะมันไม่ได้เห็นข้างนอกท่านมองมาที่ผมท่านก็ไม่ได้เห็นผมแต่ท่านเห็นภาพเสมือน ก็เนี่ยภาพเสมือนก็แบบเนี้ยก็ภาพเสมือนอย่างเงี้ยภาพเสมือนถูกไหมเนีย่ยภาพเสมือนคุณสุปานีเห็นภาพตัวเองถูกไหมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคุณสุปานีพูดในนั้นง่ายๆนี่คือภาพเสมือนที่มันดูเหมือนอ่าฉนั้นแสดงว่าขณะที่ท่านกําลังมองผมเนี่ยแสงกลุ่มหนึ่งกระทบแล้วเข้าไปอยู่ในตาท่านแล้วมันก็สร้างภาพขึ้นมาในใจก็คล้ายๆอย่างเงี้ย แสดงว่าไม่ใช่ภาพผมเป็นภาพเสมือนผมเข้าใจนะเป็นภาพเสมือนผมเฉยๆงั้นแสดงว่าตลอดเวลาที่เรากำลังมองโลกมองแฟนมองลูกมองรถของเรามองบ้านของเราที่ไปผ่อนมาเราได้เห็นแต่ภาพเสมือนถูกไหมท่านมองไปที่ฝาผนางังโอ้พระเต็มเลยเนอะหน้าเคารพหน้าเลย ท่านเห็นจากในใจนะท่านเห็นภาพในใจแต่ไม่ได้บอกว่าข้างนอกไม่มีนะข้างนอกมีแต่ตลอดเวลาท่านเห็นจากในใจของตัวเองเริ่มพอจะเข้าใจอะไรบางอย่าง น, ะนั่นแสดงว่าถ้าผู้ชายคนหนึ่งเห็นผู้หญิงเดินผ่านหอ้ผู้หญิงคนนี้น่ารักจัง เขาเห็นผู้หญิงจริงๆเหรอหรือเขาก็มาเห็นภาพเสมือนที่เกิดเกิดดับดับกับพลิบไปกับพลิบมาอยู่ในใจของตัวเองแล้วเขาก็เข้าไปหลงภาพกับพลิบนั้นเราเห็นผู้ชายเห็นรถคันหนึ่งผู้หญิงเห็นกระเป๋าใบนึ่เนี่ กระเป๋าอะไรหรือวิตตองอะท่านได้เห็นภาพเสมือนที่เข้าไปอยู่ในใจแล้วท่านก็เข้าไปปรุงแต่งผูกพันกับภาพที่เสมือนอยู่ในใจของท่านแล้วท่านก็หลงโอ้หฉันอยากได้ใบนี้จังเดี๋ยวเงินเดือนออกฉันจะต้องไปซื้อท่านก็สร้างโลกนี้ขึ้นมาในใจเดี๋ยวๆกาลังฝันหวานอยู่ดีเจ้านายเรียกนี่นี่ทำอะไรงานน่ะเสเร็จหอยงังปึบภาพนั้นดับไหมดับวับเลย ตายแล้วป่นิม์ตั้งน้าตั้งตาพิมพ์ไม่สังเกตหรอว่าเราหลงภาพเปลอาไม่เห็นหน่ะใครจะไปเห็นนะอาจารย์จะนายดุจะตายเห็นไหมท่านลงไปในเนื้อเรื่องมีใครจิตตั้งมั่นที่จะเห็นบ้างสมัยผมปฏิบัติน่วันนึงผมมีความทุกข์กับเรื่องอะไรมันดกจําไม่ได้ผมก็นั่งนั่งนั่งอยู่ยุง ยุ่งเยอะมากที่ศูนย์ปฏิบัติหรือที่วัดจำไม่ได้ยุ่งกัดกัดเขไม่ได้ตกนะไม่ตกกัดอุ๊ยยุงเยอะเนี้ยผมเห็นเลยความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดดับไปแล้วผมก็มายุ่งอยู่ไอ้เรื่องยุงเนี่ยแล้วพออา้าวมันทุกเรื่องอะไรอยู่จะได้คิดต่อ <c oughs> <c oughs> เห็นนะพอเขโง่จริง นี่มันไม่ใช่แก้งโงเนีมันงโง่จริงมันงโงจริงเนี่ยมันยึดของที่ไม่มีตัวตนเลยอะมันเอาของเกิดเกิดดับดับเนี่ยมันนั่งสุกนั่งทุกนั่งบ้า น, นงบานั่งบออยู่ได้วันวันไม่มีตัวตนเลยบางทีผมโยคีนั่งทุกบออกไปนั่งในยุงกัดไปยังไม่รู้เรื่องเลยผมพูดอะไรจา้านบ้าเลยออกไปนั่งในยุงกัดไป ดูที่จะหายทุทกันยุ่งกันทุกข์กับยุงอีกนะทุกข์กับยุงอีกไม่เห็นความจริงอีกันยังดีกว่านะทุกข์กับยุง่งเนี่ยเดี๋ยวแป๊บๆน่เข้านอนก็ลืมแต่ไอ้ทุกแบบคาลวราตทั่วไปในทุกวันนี่ไมะไม่ไหวเรากําลังเห็นหรือยังว่าเรากําลังบ้าอยู่กับโลกที่เราสร้างขึ้นมาในใจผมจะสรุปแค่เนี้ยผมจะสรุปแค่เนี้ย ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรากำลังหลงโลกที่เราสร้างขึ้นมาในใจปลอมๆแล้วโลกในใจของเราเนี่ยไม่ว่าจะเห็นก็ดีถ้าผมเปิดการได้ยินการได้กลิ่นก็จะเหมือนกันหมดมันเข้าไปอยู่ในระดับในระบบของสมองที่สร้างภาพนี้ขึ้นมาทั้งหมดเดียวเห็นภาพไหมดูดีๆนะผมค่อยๆเลื่อนนะที่แรก สมมติวาเปรี้ยวอยู่ตรงแถวนี้ใช่ไหมผมเลื่อนมาเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้แล wow. so ้วนะแล้วก็กําลังตกเฟรมนะแล้วค of ุณสุปราณีก็เข้ามานะแล้วก็ขณะที่ผมกําลังเลื่อนอย่างเงี้ยท่านรู้ไหมว่ามันเกิดการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับของดอทพวกเนี้ยนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับของภาพตลอดเวลาถ้าภาพมันเป็นตัวตนนะมันจะขยับไม่ได้นะหรือไม่ถ้าขยับไปเนี่ยเปรี่ยวจะต้องตาม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 มีศัพท์ทางพระเรียกว่าสันตติคือการเชื่อมต่อของการเกิดดับไม่ให้เห็นความจริงเราจึงกลายเป็นเห็นทุกอย่างเหมือนกับที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเราจำเป็นต้องอาศัยสัมมาส ม, มาธิคือความตั้งมั่นให้เกิดฌานขึ้นมาอย่างน้อยปฐมฌานขึ้นมาเราจะเห็นไปทีละระดับ เมื่อเราเห็นความจริงประจักษ์ขึ้นต่อหน้าต่อตานะี่ยไม่ใช่จากที่ผมอธิบายนะผมอธิบายท่านอาจจะนึกภาพออกแต่เมื่อท่านไปเห็นจริงๆ จ, จากของตัวเองเนี่ยท่านจะพังงะแล้วก็จะรู้สึกหลุดออกมาจากการที่ตายแล้วนี่เราหลงอะไรอยู่เนี่ยนะมันจะตื่นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็้าใจไหมจากการที่เราเข้าไปหลงยึดถือสิ่งที่ไม่มีตัวตน เรากำลังหลงหยึดถือสิ่งที่ไม่มีตัวตนทีนี้พอ ล, ลึกไปกว่านั้นจากการที่เห็นความจริงตามความเป็นจริงมากขึ้นในเรื่องมจะย้อนกลับมาเห็นว่าแม้แต่อคนนี้ยเหมือนกับกล้องเนี้ยตาของผมเนี่ยกับเนี่ยเท่ากันเลยถูกไหมถ้าอย่างนี้ท่านก็จะเห็นว่าผมเห็นอะไรถูกไหม อย่างเงี้ยแสดงว่าตาผมก็เห็นเท่าเนี้ยมองไปทางไหนก็เห็นอย่างเงี้ยผมมองโลกก็เห็นอย่างเงี้ยสิ่งที่เห็นคือคือการประมวลผลคนเนี้ยแล้วคนเนี้ยที่บอกว่าคนประมวลผลคนเห็นตาเตอ้อะไรเนี้ยมันเป็นเราตรงไหนลนี่ย มันเป็นเราตรงไหนเอาละอันนั้นก็ค่อยๆไปทีละขั้นนะก็เปไปทีละขั้นแต่ที่ต้องพูดไว้ก็ให้มันจบในเรื่องเดียวเพราะถ้าไม่พูดดักไว้คนรู้คนเห็นนี่แหละที่จะมีตัวตนเห็นคนอื่นหมดเห็นกระบวนการหมดกูรู้แล้ว <c oughs> นั่นแหละ จุดตายเลยลจุดตายเลยลนะคือตายทุกงานตายทุกลายนะตายทุกลายเพราะฉะนั้นมันมีการปฏิบัติที่ที่จะต้องเกิดสา ม, มาธิฏฐิวันนี้ถ้าเอาสติสมาธินามันจะไม่ย้อนกลับมาทีนี้มันจะก่อตัวตนขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกที เพราะฉะนั้นวันนี้หรือคืนนี้การบรรยายทั้งหมดเพื่อจะเห็นว่าไม่ว่าจะหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายนี้ก็ดีความรู้สึกต่างๆก็ดีมันถูกสร้างขึ้นที่นี่การเห็นทั้งหมดท่านบอกว่าท่านเห็นผมจริงๆท่านเคยเห็นผมหรือเปล่าท่านเห็นแต่ภาพเสมือนคู่ขนานกับตัวผมที่อยู่ในใจแต่ละคนก็มองเห็นคนละแบบคนละแบบ ปรุงแต่งในใจคนละแบบบางคนก็หม่นใส้บางคนก็ชอบบางคนก็เฉยๆเพราะฉะนั้นภาพเดียวกันที่เข้าไปอยู่ในใจของแต่ละคนจะถูกปรุงแต่งความรู้สึกขึ้นมาแตกต่างกันหมดแล้วแต่พื้นฐานแล้วแต่การปรุงแต่งแล้วแต่กุศลอกุศลในใจของคนคนนั้นเองต่อให้ผมจะพูดดีแค่ไหนก็จะมีคนบอกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างเฉยๆบ้างเป็นธรรมดาของโลกเป็นธรรมดาของโลก ต่อให้ใครเอาคลิป youtube คนที่ตัดคลิป youtube ด้วยความชื่นชมด้วยความโอ้โหเข้าใจจริงๆส่งออกไปนเะดี๋ยวก็มีอย่างนี้เดี๋ยวก็มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีแต่อย่างนี้กับอย่างนี้นะคนเฉยๆ ก, ก็ไม่กดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงหรอกโลกเนี้ยเขาไม่ได้มาบอกว่าคนนั้นดีแต่คนที่บอกว่าดีคือมันดีในใจของคนนั้นสั่งหากแล้วบางคนก็เป็นไปรู้สึกดี ก, ก็อย่างนี้ก็ได้ให้จะไปว่าอะไรเขาเราก็เรื่องของเขาใจของเขาก็ไม่ใส่ใจของเขาแต่เขาไม่รู้เขาว่าใจของเขานะไอ้เราก็ว่าไปตามด้วยก็ถ้าไม่เป็นฝ่ายค้านงานก็ไม่มี <c oughs> นะก็ไม่ต้องไปด้านอธิบายแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นฝ่ายค้านก็งานเข้าเหมือนกันเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็เอาว่าสวยก็สวยตามเขานะแบบหลวงปู่ล่าว่าโลกว่าสวยก็สวยตามเขา ถ้าบอกว่าเออเหมือนแบบเป็นธรรมชาติน่ะของว่างพักทีนี้งานเข้าเลยยาวเลยต้องมานั่งอธิบายให้คนไม่รู้เรื่องฟังอีกนะแทนที่จะได้กลับไปพักผ่อนแล้วพูดไปกับใจว่าจะได้อะไรก็ไม่ได้อะไรกับไลฟ์บอยกันหมดนะเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วก็เหนื่อยเอาละก็สำหรับคืนนี้ก็น่าจะพอสมควรนะแต่อย่าเพิ่งที่ไปนอนภาวนา ภาวนาด้วยหัวใจที่เป็นสมาธิฏฐินะนะอยู่ตรงนี้ให้อมาจอยที่บ้านนี้หน้าบ้านเนี่ยอะไรผ่านมาก็ผ่านไปเห็นความจริงมีแต่ของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปะมีแต่ของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่เราเห็นลองไปดูดูใหม่มันก็แค่ของที่เกิดขึ้นในใจเดี๋ยวเราก็ปรุงแต่งอนั้นเป็นชอบเป็นไม่ชอบ ท่านนอนเดยวก็มีคนปิดประตูดังในขณะที่ท่านกำลังจะหลับห้องข้างๆก็ปั้เดึกๆก็ัจะงงๆกลังจะเพียมันก็กดชักโครกจะทำขังเดี่ยวมันก็ทำควรจะปิดเก็บเสียงอะไรบ้างอ่าก็ปรุงแล้วปรุงแล้วปรุงแล้วเขาจะเขาจะเป็นไงมีที่ให้เราภาวนาก็ดีต้ายเป็นให้ชีวิตมันอยู่ง่ายๆหน่อย อย่าให้เงื่อนไขมันเยอะทุกวันนี้เงื่อนไขมันเยอะมันก็เลยทำให้ฝังความเงื่อนไขเยอะกติกามากเนี่ยเข้าไปกลายเป็นพฤติกรรมของคนกลายเป็นพฤติกรรมของคนคนที่ไปปฏิบัติที่เกาะพะเลยผมบอกว่าเอาละนะกลับมาให้ชีวิตเนี่ยมันกลับมาพบความสุขแบบง่าย วันเนี้ยเรานั่งห้องแอร์เราก็ไม่สุขเรานั่งทำงานเรามีรถคันสวยๆหรูๆเบาะนิ่มๆแอร์เย็นแค่ไหนเรากลับไม่เคยมีความสุขกับมันเลยใจของเราที่มัวแต่วุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราไม่เคยได้สัมผัสความสุขจริงๆเลยแต่คนที่เข้าไปอยู่ที่เกาะอรวยเนี่ยเขาเดินด้วยเท้าในสำนักเ้าก็เดินด้วยเท้าเปล่า บางช่วงก็ต้องเดินเป็นกิโลพอมีร่มไม้อ้ยร่มไม้ด้วยนําสักพักมีลมพัดมาเย็นๆโอ้ยลมเย็นจริงๆสบายจริงๆวันนี้ลมพัดให้ตายเะอะก็ยังไม่รู้สึกแอมจะเย็นจนหนาวนะใจก็ยังร้อนเหลวกำลังเดินไปมีคนเอาน้ำมาให้น้ำ มีน้ำกินด้วยอ่ะมีเย็นด้วยอ่ะวันนี้นะกดจากตู้น้ำเย็นนะมันยังไม่สุกเลยเพื่อนักลับมาเจอความสุขพื้นฐานได้ได้นะความสุขแบบง่ายๆเนี่ยวันนี้ไม่เคยทำให้ใครสุขเลยเพราะใจมันด้านชาไปหมดแล้วใจมันด้านทุกอย่างที่เข้ามาปักเพนจนกระทั่งมันด้านไปกับความร้อนความเย็นทุกอย่างหมดแล้ว ความเป็นมนุษย์ไม่มีเหลือแล้วเหลือแต่หุ่นยนต์เชิญ